บทที่41บเอ็ดหลวงปู่เทพโลกอุดรเวลาตีส ท, ท่านพระครูตื่นขึ้นมาปฏิบัติกรรมฐานเช่นทุกวันเดินจงกรมหนึ่งชั่วโมงนั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงแล้วจิงแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลให้กับบิดามานดาครูอาจารย์ และจะลืมเสียไม่ได้คือบุรพมหากษัตริย์ที่ท่านได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกปักรักษาพระพุทธศาสนาและแผ่นดินไทยไว้ให้ลูกหลานสืบมากำลังกำหนดลืมตาหนอก็มีเสียงดังอยู่ข้างหูว่าตอนบ่ายจะมีคนมาขอให้เล่าเรื่องหลวงปู่เทพโลกอุดรเล่าให้เขาฟังได้ เป็นเสียงของหลวงพ่อในป่าที่ท่านจาได้แม่นยำจึงถามในใจว่าหลวงพ่อเคยบอกผมว่าคนที่รู้เรื่องนี้จะต้องตายแล้วเขาจะตายไหมครับตายสิถ้าอย่างนั้นผมก็ไม่เล่าได้ไหมครับเพราะไม่อยากเป็นสาเหตุให้เขาต้องตายเขาสิ้นอายุขายแล้วถึงเธอไม่เล่าเขาก็ต้องตายอยู่ดี นิมนต์หลวงพ่อมาเล่าให้เขาฟังเองไม่ดีกว่าเหรอครับไม่ดีเราจะไปปักกลดที่หลังสถานีรถไฟรบบุรีที่นั่นมีอะไรเหรอครับหลวงพ่อจะไปทำอะไรที่นั่นไม่มีเสียงตอบจากหลวงพ่อในป่าแสดงว่าท่านไปแล้วท่านมาเร็วไปเร็วด้วยอำนาจจิตจิตก็คือใจและใจก็คือจิต มีฤทธิ์มีอำนาจสุดที่จะพันน า, นาเหตุนี้พระพุทธองค์จึงตรัสว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาทำทั้งหลายมีใจนำหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจพระพุทธองค์ทรงเป็นมนุษย์คนแรกของโลกที่รู้วิธีฝึกจิตและนำมาใช้แก้ทุกข์แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ ทรงนำวิธีดังกล่าวมาเผยแผ่แก่มวลมนุษย์ด้วยพระกรุณาอันยิ่งใหญ่มนุษย์ผู้ที่มีปัญญาสามารถฝึกอบรมจิตกระทั่งล่วงพ้นจากทุกได้ส่วนพวกที่โง่เขล า, าเบาปัญญามากด้วยเกลเลตตันหาก็จะไม่เสียเวลามาฝึกจิตแต่จะใช้ชีวิตและเวลาให้หมดไปกับสิ่งที่ไร้าสาระปล่อยให้จิตมกมุ่นมัวเมากับสิ่งสนองความอยากต่าง เป็นการทำให้ชีวิตไร้ค่าทำเวลาให้เปล่าประโยชน์แล้วเขาก็ต้องเวียนว่ายวกวนอยู่ในวัฏจักรชีวิตต่อไปอยังไม่มีที่สิ้นสุดปฏิบัติกรรมาฐานเสร็จท่านจึงสมน้ำครองผ้าสามผืนเรียบร้อยแล้วจึงออกบินทบาทโดยมีนายสมชายฮิ้วปินโตเดินตามเมื่อก่อนนี้สิท์วัดที่จะฮิ้วป็นโตตามท่านไปบิทบาทก็มีนายแดงนายสมชาติ และในขุนทองซึ่งจะผลัดเปลี่ยนกันไปในแต่ละวันครั้นในขุนทองได้บวชเป็นเวลาหนึ่งพรรษาและลาสิกขาแล้วท่านก็ไม่อนุ ญ, ญาตให้เขาทำหน้าที่นี้อีกเนื่องจากว่าเขาได้แต่งเนื้อแต่งตัวเป็นสตรีเพศอย่างเปิดเผยหากท่านให้เขาตามไปก็จะถูกชาวบ้านร้านถิ่นคหานินทาได้ว่าพระมาบินทบาตกับผู้หญิง ในช่วงบ่ายหลังจากญาติโยมมาปรึกษาปัญหากันกลับไปหมดแล้วท่านพระครูก็ขึ้นไปเขียนหนังสืออย่างกุติชั้นบนกําลังเขียนหนังสือเพลินอยู่ในแดนก็ขึ้นมารายงานว่าหลวงพ่อครับมีโยมผู้ชายคนหนึ่งมาขอพบหลวงพ่อเขาบอกว่าจะสัมภาษณ์เรื่องหลวงปู่เทพโลกอุดรครับไปหาน้ำหาท่ามาเลี้ยงเขา ประเดี๋ยวค่ะจะลงไปผมหาแต่น้ําใช้เฉยได้ไหมครับถามผ่าซื่อหมายความว่าอย่างไรสมภารวัดป่ามะม่วงไม่เข้าใจที่เขาพูดหมายความว่าผมไม่สามารถหาท่ามาเลี้ยงเขาได้นะครับลําพังน้ําผมหามาได้แต่จะให้หาท่ามาด้วยผมไม่ไหวแน่นายแดงแถลงไข เลยถูกท่านพระครูเอ็ดว่านี่เองแก่งโง่หรือว่าโ ง, ง่จริงๆกันแน่หรือแค่จะมาตอล่อตอเทียงให้เปลืองเวลาทำงานค่องค่าเองจะเอาอย่างเจ้าสมชายเรืออ่องไงเอาอย่างพี่สมชายยังไงครับเขาทําเป็นตีหน้าเซอรอท่านพระครูไม่ต้องการเสียเวลาพูดกับเขาจึงสรุปว่าเอาละเอาละ เองไปหาน้ำมาให้เขาดื่มแล้วก็บอกเขาว่าประเดี๋ยวข้าจะลงไปเอาละลงไปได้แล้วแต่ว่านายแดงยังไม่หมดข้อสงสัยไม่ต้องแต่ลงไปเดี๋ยวนี้ท่านออกปากไล่ชายชหนุ่มนามว่าแดงจริงเดินลงมาย่างไม่ค่อยเข้าใจนะักนับวันเขาก็ไม่เข้าใจท่านมากขึ้นนึกนึกก็อยากจะไปอยู่ที่อื่น แต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่ไหนเพราะพ่อแม่พี่น้องเขาไม่มีใครอยู่ที่ไหนเขาไม่รู้เลยเมื่อเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงลงมายังกุฏิชั้นล่างก็พบบุรุษวัยห้าสิบเศษนั่งรอยอยู่ตรงหน้าอาสนะท่านนั่งเรียบร้อยแล้วเขาจึงกราบด้วยเบญจางคะปะดิษสามครั้งจากนั้นจึงแนะนำตัวเองว่า ผมชื่อปฐมนามสกุลเรียนเลขเป็นบรรณาธิการนิตยสารคนพ้นทุกจะขอมาเรียนสัมภาษณ์หลวงพ่อเกี่ยวกับเรื่องหลวงปู่เทพโลกอุดรครับโยมจะสัมผัสไปลงนิตยสารคนพ้นทุกอย่างนั่นหรือครับหลวงพ่อเพราะขณะนี้คนกำลังสนใจอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับหลวงปู่กันมาก ผมทราบมาว่าหลวงพ่อเคยเดินธุดงกับท่านก็เลยจะมาขอโอกาสสัมภาษณ์แต่อาตมาไม่รู้จักหลวงปู่เทพโลกอุดรและก็ไม่เคยเดินธุดงกับท่านสงสัยโยมคงเข้าใจผิดแล้วกระมังในปฐมรู้สึกผิดหวังเมื่อได้ยินว่าท่านไม่รู้จักหลวงปู่เทพโลกอุดรหากเขาก็ยังคิดว่าข้อมูลที่ได้มาไม่น่าจะผิด ท่านอาจจะไม่ต้องการให้เขาสัมภาษณ์ก็ได้เขาจะต้องหาวิธีใหม่ที่จะทำให้ท่านยอมให้สัมภาษณ์คิดดังนี้แล้วจึงตั้งคำถามว่าหลวงพ่อเคยได้ยินหลวงปู่เทพโลกอุดรไหมครับก็เห็นคนเขาเล่าลือกันทั้งประเทศเล่าลือกันมานานถ้าอาตมาไม่เคยได้ยินก็ไม่ทันสมัยนะสิปลดวยัยห้าสิบเศษค่อยมีความหวังขึ้น จึงเริ่มอัดเทพที่ได้เตรียมมาและหลวงพ่อเชื่อว่าท่านมีตัวตนจริงๆหรือว่าเป็นเพียงข่าวลือครับอันนี้อาตมาก็ไม่ทราบก็อย่างที่บอกแล้วว่าอาตมาไม่รู้จักท่านได้ยินแต่คนเข้าเล่าลือกันก็เลยตอบโยไม่ได้ว่าท่านมีตัวตนจริงๆหรือไม่และหลวงพ่อเคยเดินทุดงกับพระองค์หนึ่ง ซึ่งคนเข้าใจกันว่าเป็นหลวงปู่เทพโลกอุดอนเคยหรือเปล่าครับท่านพระครูจึงตอบตามประสบการณ์ของท่านว่าอาตมาเคยเดินธุ่งดงกับหลวงพ่อองค์หนึง่งแต่ไม่ทราบว่าท่านชื่ออะไรถามท่านท่านก็ไม่บอกอาตมาเลยเรียกท่านว่าหลวงพ่อดำบ้างหลวงพ่อในป่าบ้างพระในป่าบ้างคือเรียกตามลักษณะที่ปรากฏ หมายความว่าอย่างไรครับในปฐมไม่เข้าใจคืออาตมาเรียกท่านตามลักษณะที่ปรากฏให้เห็นทางตาท่านมีผิวพรรณดำสนิทอาตมาก็เลยเรียกท่านว่าหลวงพ่อดำแล้วก็พบท่านในป่าก็เรียกท่านว่าหลวงพ่อในปา่าหรือว่าพระในปา่าอาตมายอมรับว่าท่านมีอะไรลึกลับพอสมควรแต่ไม่รู้จริงๆว่า จะใช่หลวงปู่เทพโลกอุดรหรือเปล่าพระอาตมาไม่รู้จักหลวงปู่เทพโลกอุดรและหลวงพ่อคิดว่าเป็นไปได้ไหมครับว่าหลวงปู่เทพโลกอุดรเป็นองค์เดียวกับพระอุตรัสเถระที่พระโมคคลีบุตรติดสเถระทรงเป็นพระสมณทูตมาประกาศพระาศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิเมื่อเสร็จจากการสังขยาครั้งที่สามแล้ว ที่ส่งมาคู่กับพระโสนเถระเมื่อประมาณปีพุทธศักราช234สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชใช่ไหมครับหลวงพ่อคิดว่าท่านเป็นองค์เดียวกับหลวงปู่เทพโลกอุดรหรือเปล่าในปฐมทวนคำถามถามอย่างนี้อาตมาตอบไม่ได้ก็ในเมื่ออาตมาไม่รู้จักหลวงปู่เทพโลกอุดร แล้วจะให้อัตมาตอบท่านเป็นองค์เดียวกันหรือเป็นคนละองกันกับพระอุตระเถระได้อย่างไรโยมไม่น่าถามแปลกๆเอาอย่างนี้ก็แล้วกันอัตมาขอถามโยมว่าโยมรู้จักหนวดเต่าไหมเคยเห็นหนวดเต่าหรือเปล่านายปฐมเรียนเลขตอบทันทีว่าไม่รู้จักครับแล้วผมก็ไม่เคยเห็น เต่ามีดวดด้วยเหรอครับหลวงพ่อผมเคยเห็นแต่เต่าไม่มีหนวดโยไม่รู้จักหนวดเต่าใช่ไหมทีนี้อาตมาก็ขอถามต่อว่าหนวดเต่ากับเขากระต่ายมันเป็นอันเดียวกันหรือเปล่าผมไม่ทราบหรอกครับหลวงพ่อเพราะผมไม่รู้จักทั้งหนวดเต่าและเขากระต่ายบุรุษวัยห้าสิบเศษตอบ อาตมาก็เหมือนโยมนั่นแหละที่ถามอาตมาเมื่อกี้อาตมาก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะไม่รู้จักหลวงปู่เทพโลกุดอนนายปฐมจึงตั้งหลักใหม่เขาตั้งใจแน่วแน่ว่าวันนี้จะต้องมาสืบเสาะเจาะลึกเรื่องของหลวงปู่เทพโลกุดอนให้ได้ก่อนออกจากบ้านเขาบอกภรรยาว่าคอยดูนะ วันนี้พี่จะไปล้วงตับหลวงพ่อเจริญให้หมดเลยภรรยาเขายังสรพยอกว่าจะไปให้ท่านล้วงตับน่ะไม่ว่าถ้าฉชนนั้นผมขอเรียนถามใหม่คือผมอยากเรียนถามหลวงพ่อว่าเป็นไปได้ไหมครับที่หลวงพ่อดำกับพระอุตราเถระจะเป็นองค์เดียวกันเป็นคำถามที่ท่านพระครูเองก็อยากรู้คำตอบเพราะท่านเคยถามหลวงพ่อในป่า ด้วยคำถามเดียวกันนี้มาก่อนจึงตอบแบ่งรับแบ่งสู้ว่าก็อาจจะเป็นไปได้แสดงว่าพระอาหารหันต์สามารถมีชีวิตอยู่ได้นานเป็นพันปีอย่างนั้นหรอครับนายปฐมเรียนเลขรู้สึกมีกำลังใจที่จะล้วงตับหลวงพ่อจเจริญ งูเห่าตัวหนึ่งปรากฏที่หน้าอาสนะชูคอแผ่แม่เบี้ยอยู่ข้างหลังนายปฐมท่านพระครูรู้สึกแปลกใจว่ามันเข้ามาได้อย่างไรในเมื่อกุติของท่านไม่มีร่องหรือว่ารูที่งูจะเข้ามาได้งูไม่มีงอนสีแดงอยู่บนหัวหากมีท่านจะสันนิษฐานว่าสมเด็จโตท่านมาแสดงปฏิหารให้ปรากฏ งูเห่าตัวนี้ต้องไม่ใช่สมเด็จแน่ๆกําลังจะเพ่งพิจารณาว่าเป็นอะไรกันแน่เจ้างูตัวนั้นก็หายวับไปกับตาท่านจิ๋งมองมาที่นายปถมเขาไม่มีหัวซสแล้วงูตัวนั้นเป็นสัญญาณมรณะนั่นเองโยมคนนี้ต้องตายในวันนี้หลวงพ่อดําท่านก็บอกว่าอย่างนี้เราคงไม่ต้องบริกรรมสัมปติชามิ เพื่อต่อหัวให้เขาท่านพระครูคิดในใจโยมอัตมาอยากจะบอกอะไรสักอย่างโยมอย่าไปอยากรู้เรื่องของหลวงปู่โลกเทพอุดรเลยนะท่านจะเป็นหลวงพ่อดำหรือไม่หรือว่าจะเป็นพระอุตระเถระโยมก็อย่าไปรู้เลยหลวงพ่อในป่าเคยบอกอัตมาว่าคนที่อยากรู้เรื่องนี้จะต้องตาย อย่าเอาชีวิตมาทิ้งกับเรื่องนี้เลยนะท่านบอกได้ความหวังดีหากคนประศจากศีศกรษะกลับตอบว่าผมไม่กลัวตายครับหลวงพ่อแน่นะเกิดเย็นนี้กลับบ้านแล้วตายละ่ะท่านถามอีกตายแล้วผมก็ฟื้นขึ้นมาได้ครับหลวงพ่อรู้จักพันเอกเสนอไหมครับเท่าที่ตายแล้วก็ฟื้นมาได้อีกผมก็จะเป็นอย่างนั้นแหละครับ นายปถมตอบคราวนี้ศีรษะของเขาตั้งอยู่บนบาเช่นปกติงั้นก็ตามใจแต่อาตมาไม่เชื่อว่าคนตายแล้วจะฟื้นขึ้นมาอีกเพราะมันขัดกับความจริงและทำไมตะแปะข้าหมูจึงฟื้นได้ล่ะครับที่หลวงพ่อเล่าให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังผมมีเพื่อนเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเขาเล่าให้ผมฟังว่าหลวงพ่อรู้จักตะแปะคนนี้ ท่านพระครูจึงอธิบายว่าความจริงตะแปะแกไม่เด็กตายแกสลบไปต่างหากถ้าตายก็จะไม่ฟื้นสมัยนั้นแพทย์ยังไม่เ จ, จริญจึงแยกไม่ออกว่าคนตายกับคนที่สลบอาตมาอยู่ในเหตุการณ์ด้วยตอนนั้นก็ยังไม่ได้บวชเหรอครับแต่หลวงพ่ออย่ากโกรธนะครับถ้าผมจะบอกว่า ผมไม่เชื่อว่าแกสลบผมว่าแกตายอย่างพันเอกเสนผมก็เชื่อว่าแกตายแล้วฟื้นและผมก็ต้องเป็นอย่างแกคือผมเชื่อว่าถ้าผมตายผมจะฟื้นขึ้นมาอีกเพื่อเขียนหนังสือให้คนอ่านหนังสือคนพ้นทุกข์ที่ผมเป็นบนณาธิการอยู่นี้ผู้อ่านติดกันงอมแงมเลยนะครับแบบเนี้ยผมจะตายได้ยังไงเขาพยายามอ้างสาเหตุ เพื่อจะนำมาสรุปว่าเขาจะต้องมีชีวิตยืนยาวต่อไปอีกถ้าโยมเชื่ออย่างนั้นก็ตามใจโยมอย่ากโกรธนะถ้าอาตมาจะพูดแบบเดียวกันกับที่โยมพูดกับอาตมาว่าอาตมาไม่เชื่อว่าพันเอกเสนะตายอาตมาหว่าแกสลบไปเท่านั้นครับผมไม่โกรธหลวงพ่อถ้าหลวงพ่อจะกรุณาเล่าเรื่องหลวงปู เทพโลกอุดรขออภัยหลวงพ่อดำให้ผมฟังในปฐมเรียนเลขวางเงื่อนไขถ้าโยมต้องการอย่างนั้นก็ไม่ว่าการเอาละอยากรู้อะไรก็ถามอาตมาได้ท่านอนุญาตบุรุษวัยห้าสิบเศษจึงถามอีกว่า พระอาหารหันต์สามารถจะอยู่ได้เป็นพันปีหรือครับจะเป็นไปได้อย่างไรที่มนุษย์จะมีอายุยืนถึงปานนั้นอาตมาได้ยินมาว่าพวกฤาษีชีไพรที่อยู่ในป่าหิ ม, มพานมีอายุยืนเป็นหมื่นปีโลกมนุษย์เราเนี่ยมีอะไรลึกลับซับซ้อนที่คนธรรมดาไม่อาจรู้ได้แต่ผู้ที่ฝึกอบรมจิตอบรมสมาธิ ก็สามารถรู้ได้หลวงพ่อเคยไปป่าหิมะพานมาหรือยังครับอาตมาไม่เคยไปแต่ก็ได้รับการบอกเล่าจากโยมยายสมัยที่อาตมายังเป็นเด็กโยมยายเล่าว่าหลวงพ่อช้างที่อยู่วัดตึกกาชาท่านไปป่าหิมะพานแล้วกลับมาเล่าให้โยมยายฟังอาตมาก็ฟังเฉยแต่ไม่เชื่อ ตอนนั้นอาตมาไม่เชื่ออะไรเลยไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์เรื่องพระเวทสันดรอาตมาบอกยายว่าเป็นเรื่องโกหกแต่เดี๋ยวนี้เชื่อหมดแล้วเพราะประสบมาด้วยตัวเองทุกเรื่องรวมทั้งเรื่องฤาษีชีปลายที่มีอายุเป็นหมื่นปีด้วยหรอครับถูกแล้ว เพราะเมื่อปีพุทธศักราช 2,515 อัตมาไปร่วมประชุมองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกที่ประเทศศีลังกาก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับพระสิงห์หนในถ้ำเขาสิกิริยาท่านเคยไปป่าหิ ม, มพานมาท่านก็เล่าแบบเดียวกับที่หลวงพ่อช้างเล่าให้อัตมาฟังอัตมาจึงต้องเชื่อ หลวงพ่อกรุณาเล่ารายละเอียดได้ไหมครับทั้งเรื่องหลวงพ่อช้างแล้วเรื่องพระในถ้ำนายปฐมเกิดความรู้สึกว่าเขาได้มาพบขุมทรัพย์ที่จะนําไปเขียนให้คนอ่านหากโยมอยากฟังอาตมากอดจะเล่าสมภารวัดป่ามะม่วงให้ความเมตตาแก่เขาด้วยรู้ว่าเขาจะมีชีวิตอยู่อีกไม่กี่ชั่วโมงบังเอิญเทปด้านที่อัดหมด เขาจึงขออนุญาตกลับด้านที่ว่างอยู่แล้วจึงขอให้ท่านเล่าต่อท่านพระครูเล่าให้เขาฟังทุกเรื่องที่เขาอยากรู้บุรุษวัยห้าสิบเศษรู้สึกเพลิดเพลินเขาเตรียมเทปเปล่ามาสามมว้วนคิดว่าจะใช้ให้ครบทุกมว้วนหลังจากนั้นก็จะกลับไปถอดเทปสิ่งที่ได้วันนี้เขาคงนำไปเขียนได้เป็นเล่มๆ เ, เลยทีเดียว คงไม่ทันแล้วละเพราะโยมจะต้องตายวันนี้แล้วกลับไปก็ต้องตายแน่ท่านพูดในใจเพราะหากพูดนอกใจเขาก็จะได้ยินเมื่อได้ยินเขาก็จะไม่เชื่อแต่จะทาให้เขาจิตตกเมื่อจิตตกเขาก็จะไปสู่ทุกขติดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าจิตเตสังกะลิเททุกคติปติกังขาเมื่อจิตเศร้ามองแล้ว ทุขติเป็นอันตองหวังในประถมเรียนเลขใช้เวลาสัมภาษณ์ท่านพระครูอยู่สามชั่วโมงรู้สึกอิ่มเอมเปรมใจที่จะได้ข้อมูลไปเขียนคราวนี้แหละหนังสือของเขาจะต้องขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าแล้วเขาก็จะได้ซื้อรถเบน์ขับสักทีอยากขับรถเบน์มานานนักหนาแล้วเวลาสองยาม ท่านพระครูจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้วจึงสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลเหมือนเช่นที่เคยปฏิบัติทุกค่ำคืนเป็นนิจจสีนท่านใช้เวลาสวดมนต์ภาวนาสองชั่วโมงจากนั้นจึงจำวัดตั้งแต่ตีสองไปจนถึงตีสี่ขณะที่กำลังเอ็นกายลงนอนอย่างมีสตินั้นก็มีเสียงมากระซิบที่ข้างหูว่า คนที่มาสัมภาษณ์เธอมาตอนบ่ายเสียแล้วเมื่อตอนค่ำเขาเชี่ยวว่าเขาจะฟื้นเหมือนพันเอกเสนะหลวงพ่อว่าเขาจะฟื้นไหมครับถ้าฟื้นจะเรียกว่าตายหรือแล้วเทปที่อัดหนะใช้ไม่ได้เลยสักมว้วนเพราะไม่มีเสียงเงียบกริบทั้งสามม้วนเลยเพราะเหตุไรเธอรู้ไหมเพราะก็อัดไม่ดีใช่ไหมครับ หรือว่าเทปหมดอายุไม่ใช่ทั้งสองอย่างถ้าอย่างนั้นจะต้องเป็นเพราะฝีมือหลวงพ่อเราไม่ต้องการให้เขาเอาไปเขียนงั้นก็ทำให้เทพเสียเฉยเฉยก็พอทำไมต้องให้เขาตายด้วยหลวงพ่อไม่กลัวบาปหรอครับสิทยุอาจารย์นี่เธอกำลังจะกล่าวหาเรานะข้อหาร้ายแรงเสียด้วย เธอกำลังกล่าวหาว่าเราเป็นขาตกรนะก็ไม่จริงหรอครับนี่เธอไม่กลัวตายหรื อ, อยังไงมากล่าวหาเราแบบเนี้ยไม่กลัวตายหรืออาจารย์ยั่วสิบบ้างผมไม่กลัวตายครับเพียงแต่ไม่อยากตายโยมคนนั้นเขาก็ไม่กลัวตายแล้วเขาก็ไม่อยากตายเหมือนกับเธอนี่แหละแต่เขาก็ตายไปแล้ว กลับถึงบ้านได้ไม่กี่ชั่วโมงก็ตายอยากเป็นอย่างเขาไหมล่ะผมยังไม่อยากสิ้นอายุไขครับที่เขาตายเพราะสิ้นอายุขยส่วนผมยังอยู่อีกหลายปีว่าแต่ว่าหลวงพ่อไปทำอะไรที่รบบุรีครับปรุ่งนี้ก็รู้ผมอยากรู้วันนี้ครับกรุณาบอกผมให้รู้ด้วยไม่มีเสียงตอบจากหลวงพ่อดํา แสดงว่าท่านไปแล้วท่านมาเร็วไปเร็วเป็นปกติวิสัยของท่าน